ผู้เเคลื่อนไหวนั่นี่โมีเอืนไก่ด้ยคันบยเฮตังเซให้คนมันบุ้งจักวิธีเฮ็มันนังนิงน่งๆเนี่ยบางคนว่าเอาเป่าลมหายใจกร้ได้บวบได้ยังไหนแต่ว่ามีดเนยน้อยสมมติเอาฝันไม่ใหญ่ๆหญ่ดมันบุข า, าดด้ลองโบม่ดคันมีดเน น, น้อยคมดีมีดน่ะ น, นะต่ฝันไม่ใหญ่ๆเนี่โอ้ยบุข า, าดมันสอยเอาทีละน้อยนี่เดือกับมีก็หักซ้าไปน่าน บัดนีเหตุวิธีเนี่ยพอวานเนี่พาอิโตโบักงีง่ายทางพี่เอินว่าพาอิโตโบัหนึงโโ่งแดงพาเงี้ยญ่าเนี่ยมิโตโต<ฮ>ทางบ้านเ่พอดีว่าเอินพาอิโตโต้บับดหนึ่งเ อ, เอมิมตโตพาเงีย่าเนี่ยขวดใงี่ซัดใส่ใคมหนาแล้วฟาตุ้มเข้าไปมันเ น, าน่าหน่อยพูนวะมันบวขาดมันก็เน่าเปื่อยออกมาที่เล็กทีน้อยหักรถไปเดียวใหม่เรื่องโทสะโมหะโลภะนี่กะ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 ที่กับลูกลูกสองคนอย่างน้อยแล้วก็พ่อแม่ให้ว่าจะไปข่าวนั้นเป็นพ่อคนแม่คนได้อย่างพอบัานนี้ก็เลวยุหนะเลาเรื่องอยากให้เขาหูวจักนั่นน่ะเขาก็หูวจักแล้วเขาหักบัอยากเลามันบูดีบ้านี้เขาก็เลยถามว่าเจ้าอย่างว่าเจ้าข่มเก้าอย่างสั้นกว่าฉันเจ้าบ่พอใจที่ค่อยเว่าให้เจ้ามือเศร้าดิฉันบ่พอใจว่าฉันนะโทษคนเราบูหัวจักว่าเจ้าบ่พอใจว่าฉันเราว่าเราก็เว้าเป็นซื้อเราก็บูหู้จัก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 ว่าเขาโบาดีจังสันยองซื้อๆนี่ถ้าหาน้ลกมีแล้วไปตกนล้ลกขุมใดจากปีจากเดือนหูจักจังสันเห็นจังสันบัดนี้ใจคิดซื้อๆเบอร์เ น, นี่ยคำปากโบวาวโบปากโเวาใจหักคิดอยู่ทางสั น, สนและบัดนี้มือกับโบเหตจะคิดซื้อถ้าหากนรกมีจริงไปตกนล้ลกขุมใดนานจากปีจากเดือ น, นสันหูจักสันแล้วบัดนี้ทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันมัดเบอรเนี่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 อันนี้ลักษณะจิตใจสงบเสื่อเได้นี่สงบอยู่นั ส, สิเพราะว่าเขาฟังอยู่เนี่ยเขาโบ้ได้เห็นแต่มันก็มีอยู่นี่แต่เขาเอ า, าโบ้เคยเห็นจากเธอโบ้เคยรู้จักว่าจิตใจสงบเป็นลักษณะอย่างนี้นเนาะเขาบ้รู้จักจกเสือโอ้จิตใจสงบนี่คือคนกับจิตใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยันเขาคิดตั้งเตี้ยเขาโอ้จิตใจสงบนี่ไม่จิตใจพระพุทธเจ้าเนี่โอ้หลักก็มีพระพุทธเจ้าในน้อยเกิดขึ้นแล้วเนี่เขาเก่าู้จักโลตินว่าเขามีอ่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 บันนี้เอาออกสองขาเออออกเอาออกขาเดียวตั้งโบจูแล้วบันนี้ลมพัดกับลมลดบันเดียวอันนี้ก็คือกันถ้าหากทำลายโทสะโมหะโลภะออกไปแล้วเพราะเขาโบหลงเพราะเนี่ยว่าย่าหลงโตย่าลืมใจย่าหลงเนื้อหลงตัวเขาเบิ่งการเคลื่อนการไหวมันนึกมันคิดอันนี้เป็นวิธีที่จะเข้าไปอ น, นันตถ้าหากบ่เบื้งอันนี้บ่มีวิธีที่เข้าไปเนี่ยพอ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 มันคิดมันเห็นมันรู้นี่แหละบัด น, นี้มันบุกโก้ดนี่แหละกระแสพระนิพพานนะจีวัฒว่าเขาไปนิพพานให้มันได้จีวัฒว่าเขาได้ใจสงบแลบนน้วบัดนี้ใจสะอาดเขาต้องเห็นมันเนี่ยขันสะอาดก็ะปลว่าเขาเห็นนั่นแล้วขันวดสะอาดจะเบิ้งพี่อย่ากไปเห็นองซีแล้วโอ้ดีเนาะเ น, นี้เขาเบิ้งองศีสะอาดคนเอื้นใจสว่างจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบมั น, นมันสามารถที่จีมองเห็นอย่างสั้น